แนะนำบทอเลสรว์บทอเลสรว์เป็นบท ia, มัทธิยะมีหนึ่งร้อยสิบเอ็ดองการที่ได้ประมวลไว้ด้วยเรื่องของอักขีดาเรื่องราวต่างๆที่มีอยู่ในบทนี้มีส่วนคล้ายคลึงกับเรื่องราวของบทมัทธิยะทั้งหลายที่ได้ความสนใจต่อหลักการของศาสนาโดยเฉพาะในด้านที่เกี่ยวกับความเป็นเอกภาพ การเผยแพร่าาศาสนาอิสลามและการฟื้นขืนชีแต่ภาพลักษที่เด่นของบทนี้คือลักษณะของทารุสูส ล, ลลลอฮฺวะลัยิวสลัดและปฏาฏิหารต่างๆและหลักฐานที่แสดงถึงความสัจดิของทธิ์ของทารุสอ ล, ลลลอฮฺวะลัย้วสลัดบทนี้ได้กล่าวถึงปฏาฏิหารการเดินทางในเวลาเกิดคืนของท่านอบีและทารุสูลคนสุดท้าย แตะเป็นสั ญ, ญลักษณ์อันชัดแจ้งที่บ่งถึงอนุภาพของอัลอลอฮ์และได้กล่าวถึงวงวานของอิสรอิลและสิ่งที่อัลอลอฮ์ทรงกำหนดให้พวกเขาต้องระเหเรื่อยร่อนไปในแผ่นดินถึงสองครั้งทั้งนี้เพราะความดื้อดึงก่อความเสียหายและการฝ่าฝืนของพวกเขาต่อพระบัญชาของอัลลอฮ์ผู้ทรงสูงส่งบทนี้ได้กล่าวถึงสัญญาณต่างๆแห่งจักรวาล ที่บ่งชี้ถึงความยิ่งใหญ่และความเป็นเอกภาพและได้กล่าวถึงระบบอันละเอียดออนที่ควบคุมเวลากล้งคืนและกลางวันเพื่อให้ดำเนินไปอย่างสอดคล้องกับกฎเกณฑ์อันแน่นอนไม่มีการเปลี่ยนแปลงบทนี้ได้กล่าวถึงมัญญา่าทางสังคมและมัญญาาอันดีงามโดยสนับสนุนและเรียกร้องให้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อจะให้มีขึ้นซึ่งสังคมตัวอย่างที่ดีถ้าได้กล่าวถึงการหลงผิดของพวกบูชาจเวดโดดอุปโลกภาคีและพระบุตรให้แก่ออกแ้อวบเป็นที่น่าประหลาดใจยิ่งสําหรับการการะทํำของพวกเขาทั้งที่พวกเขาเกลียดลูกผู้หญิงแต่พวกเขาก็อุปโลกมันให้แก่พระผู้ทรงสูงส่งและทรงยิ่งใหญ่พระองค์ทรงบริสุทธิ์ จากการเปรียบเทียบและการมีพาธีบทนี e ้ได้กล่าวถึงการฟื้นคืนชีพและการตอบแทนซึ่งได้มีการโต้เถียงกันมากในเรื่องนี้พร้อมได้นำหลักฐานมายืนยันถึงความเป็นไปได้และได้กล่าวถึงเรื่องคำพีอัลกุรอานสิ่งปาฏิหารของมุฮัมมัดสัลลัลลอฮฺวะะไลฮและกล่าวถึงการดื้อรั้นของพวกบูชาจุด ในข้อเสนอแนะของพวกเขาโดยเรียกร้องขอสิ่งปาฏิหาริย์อื่นจากอัลกุรอานเช่นขอให้มีแม่น้ำลำธารนในนครมักกะมีเรือกสวนร่มรื่นเขียวชอุ่มบท น, นี้จบลงด้วยการให้ความบริสุทธิ์ดาวล็อจากการตั้งภาคีและพระบุตรและลักษณะที่บกกร่องบท น, นี้มีชื่อว่าบท อัลอ eh mm ิสรอเพราะสิ่งปฏิหารอันน่าทิ่งคือปฏิหารการเดินทางในเวลาตอนคืนซึ่งอัลลอะ์ทรงให้มีขึ้นโดยเฉพาะแก่นบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮุวะสัลลัมด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ สุ ب ฮาน الذي أسراب عبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارتنا حوله لنريه من آياتنا إن له السميع البصير ผู <ت> ้ง <ص> น <في> ำ <ق> าของพระองค์ เดินทางในเวลากลางคืนจากมัสยิดอัลฮารอมไปยังมัสยิด อ, อัลอับซัซึ่งบริเวณรอบมันนั้นเราได้ความจำเริญเพื่อเราจะให้เขาเห็นบางอย่างจากสัญญาณต่างๆของเราแท้จริงพระองค์ือผู้สงได้ยินผู้สรงเห็น และเราได้ประทานคำที่ให้แก่มูสาและเราได้มันเป็นทาง น, นำแก่วงวานของอิสราเอลว่าอย่าได้ยึดถือผู้ใดอื่นจากข้า ดุริย์ที่ผนพมลน์มาเันนุพินอินนล่ะฮู้าค่บดะชักโราอู่เบาพันของผู้ที่เราได้บรรทุกไว้ในเรือกับนววเต๋อแท้จริงเขาเป็นบ่าวผู้กระตันดู ว่าด้วยเราไปบนอิสราอลน الكتاب แล้วทุบซึ่ ا ในแผ่นด ي นนั้นในแผ่ ل ดินนั้นสองที่น้แล่นั้นแล่นั้นละนั้นและที่นัละทนันแลีั้นี้แล่้นแจ่้ววาแะท่นของอิสที่นันที่นนแลที่นั้นแล่ั้นและ่้าแะี่นั้นี่นันนั้นแะ่นั้นและทีั้งและัแ่น่นอนพวกเจ้าจะยะโโัะทันันี้ فإذا جاء وعد أولهما بعثنا عليكم عبادا لا า و ل ي بأس شديد ت ج ا خلال ا ل ز ي ا وكان وعد مفروض ดังนั้นเมื่อสัญญาณหนึ่งในสองครั้งได้มาถึงเราได้ส่งบรรดาบ่าวของเราผู้มีอำนาจเข้มแข็งเข้าครอบครองพวกเจ้า และพวกเขาได้บุกเข้าค้นตามบ้านเรือนและมันเป็นสัญญาที่ได้เกิดขึ้นแล้ ว, ลลรรวแล้วเราให้พวกเจ้ากลับเข้ามามีอำนาจเหนือพวกเขาแล้วเราได้ทําให้พวกเขามีทรัพย์สินและบุตรหลาน دا دا ما ما إن أحسنتم أحسنتم لي أحسكم وإن أ س أ ء ت م فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوجهاكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبّر ما لهم ت ت ب ي ر หากพวกเจ้าทำความดีพวกเจ้าก็ทำเพื่อตัวของพวกเจ้าเองและหากว่าพวกเจ้าทำความชั่วก็ เ, เพื่อตัวของพวกเจ้าเองดังนั้นเมื่อสัญญาอีกข้อหนึ่งได้มาถึงเพื่อพวกเขาจะก่อความอับอายขายหน้าแก่พวกเจ้าและเพื่อจะเข้าไปในมัสยิดดังที่พวกเขาได้เคยเข้าไปแล้วในครั้งแรก และเพื่อทำลายสิ่งที่พวกเขาได้รับชัยชนะอย่างหมดสิ้นข้าพระอ์รงอวยพรให้เราได้รับกุรช่วยเหลอจากพระองค์และพระองค์ทรงให้าได้รันการช่วยเหลือจากพระองค์หวังว่าพ้าผู้อภิบาลของพวกเจ้าจะทรงเมตตาแก่พวกเจ้าและหากพวกเจ้ากลับเข้ามาก่อกวนอีกเราก็โต้กลับ และเราได้ให้นรกเป็นที่คุมขังสำหรับผู้ปฏิเสธศรัทธาแท้จร <ess> ิงอ <ess> ัลก <ess> ุรอานนี้จะนำไปสู่ทางที่เที่ยงตรงยิ่งและแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้ศรัทธาที่ประกอบความดีทั้งหลายว่า สำหรับพวกเขานนั้นจะได้รับการตอบแทนอันยิ่งใหญ่ ا أ และแท้จริงบรรดาผู้ที่ไม่ศรัทธาต่อพระโลกนั้นเราได้เตรียมการลงโทษอันเจ็บแสบไว้สำหรับพวกเขาแล้วว่ายัดดอินนนบค และมนุษย์นั้นจะวิงวรขอความช่วยยิ่งการวิงวรของเขาเพื่อความรีและมนุษย์นั้นเป็นผู้รีบร้อนเสมอวัจ عل นำไลลวันนหารอายะยนธม ح าวนาอายะนัยลิวัจ عل น้ ถ้าเราได้ทำให้กลางคืนและกลางวันเป็นสองสัญญาณดังนั้นเราได้ทำให้สัญญาณของกลางคืนมืดมน และเราได้ทำสัญญาณของกลางวันมีแสงสวา่างเพื่อพวกเจ้าจะได้สแสวงหาความโปรดปรานจากพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าและเพื่อพวกเจ้าจะได้รู้จำนวนปีทั้งหลายและการคำนวณและทุกสิ่งเราได้แจกแจงมันอย่างละเอียดแล้ววคุลออออิินนนนาาาัซร่ และมนุษย์ทุกคนนั้นเราได้ให้การงานของพวกเขาแขวนปิดไว้ที่คอของพวกเขาและในวันพรโลกนั้นเราจะาบันทึกออกมาให้เขาพบมันในสภาพที่การแผ่เจ้าจงอ่านบันทึกของเจ้า พอเพียงแก่ตัวของเจ้าแล้ววันนี้ที่จะเป็นผู้ชำระ บ, บัญชีของตัวเจ้าเองผู้ดใดได้พบทางนำที่ถูกต้อง แท้จริงเขาจะอยู่ในทาง น, นั้นเพื่อตัวของเขาเองและผู้ใดหลงผิดแท้จริงเขาจะหลงต่อตัวของเขาเองและไม่มีผู้ใดที่จะแบกภาระของผู้อื่นได้และเราไม่เคยลงโทษผู้ใดจนกว่าเราจะส่งศาสนาพูดลงมาาอออรนนนฮฮกกตมุีีู และเมื่อเราปราถนาที่จะทำลายหมู่บ้านใดเราได้บัญชาให้พวกคุ้มเฟือยของมันและพวกเขาก็ฝ่าฝืนฉะนั้นพระดำรักการลงโทษสมควรแก่มันแล้วฉะนั้นเราจะได้ทำลายมันให้พินาศ และกี่ส ต, ต้อนแล้วที่เราได้ทำลายหลังจากงูและพอเพียงแกพระผู้อภิบาลของเจ้าผู้สรงรอบรูผู้สรงเห็นความผิดทั้งปวงเบาของผล ผู้ใดปรารถนาชีวิตในโลกนี้เราก็จะเร่งให้เขาได้รับมันตามที่เราประสงค์แก่ผู้ที่เราปรารถนาและเราได้เตรียมนรกไวสาหรับเขา เขาจะเข้าไปอยู่ในนั้นอย่างถูกเหยียดหยามถูกขับไล่และผู้ไดปราถนาพป็โลกแล้วขวนขวายเพื่อมันอย่างจริงจังโดยที่เขาเป็นผู้ศรัทธาชันเหล่านั้นการขวนขวายของพวกเขา จะได้รับการตอบสนองทั้งหมดเราจะสนับสนุนเขาเหล่านี้และเขาเหล่า น, นั้นจากการประทานให้ของพระผู้บิบาลของเจ้า และการประทานให้ของพระผู้พิบาลของเจ้านั้นมิถูกห้าแต่ประการโอ้บุคคดดลที่ فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر ت خ ض ي ีลาจงดูเถิดเราได้ทำให้บางคนในหมู่พวกเขาดีเด่นกว่าอีกบางคนอย่างไรและแน่นอน เพราะโลกนั้นมีฐานะยิ่งใหญ่กว่าหลายขั้นและยิ่งใหญ่กว่าในทางดีเด็กและจะ جعل แล้วเะจ้าอย่าตั้งพระเจ้าอื่นเคียนคู่กับอัลลอฮ์มิฉะนั้นเจ้าจะกลายเป็นผู้ถูกเดียดหยามถูกทอดทิ้ง وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ ع ِ ز ذ َ ك َ ل ك ِ بَرَأْحَدٌ مَا أَوْكِلَهُمَا فَلَا ت َ ق ُ ل لَهُمَا أ ُ ف ْ س وَلَا تَنْهَرُهُمَا ออ แ, ล แ, ลและพระผู้อภิบาลของเจ้ากำหนดว่าพวกเจ้าจงอย่าเคาราาพพักดีผู้ใดอื่นนอกจากพระองค์เท่านั้นและจงทำดีต่อบิดามารดาเมื่อผู้ใดในทั้งสองหรือทั้งสองบรรลุเข้าสู่วัยชราขณะที่อยู่กับเจ้า เจ้าจงยา ก, กล่าวแก่ทั้งสองว่าปุ๊บและเดี๋ยวูกเข็นท่านทั้งสองแต่จงพูดแก่ท่านทั้งสองด้วยไพ่คำที่สุภาพและจงนอบน้อมทำตนต่อท่านทั้งสองด้วยความเมตตาและจงกล่าวว่าโอ้พระผู้มิบาลของฉันได้โปรดเมตตาแก่ท่านทั้งสอง เเเ่่นนนทีาาาัั้้งงอออออไดดดยยยูฉมมืวบวบบุลลิหกพระเจ้าของพวกเจ้าทรงรู้ดียิ่งถึงสิ่งที่อยู่ในจิตใจของพวกเจ้าหากพวกเจ้าเป็นคนดีดังนั้นพระองค์เป็นผู้ทรงอภัยแก่บรรดาผู้กลับเนื้อกลับตัวอย่างแน่นอน َآتِذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ تُبَذِّرْ وَبْنَ وَالْمِسْكِينَ وب الس وَلَا السَّبِيلِ تَبْذِيرًا แต่จงให้สิทธิแก่ญาติที่กล้ชิดและผู้ขัดสนและผู้เดินทางและยาสุรุยสุไรอย่างคุ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا แท้จริงบรรดาผู้สุรุยสุรายนั้นเป็นญาติกับชัยตอนและชัยตอนนั้นเนรคุณต่อพระผู้ที่บานขมุมะและเจ้าบินหลังให้พวกเขาเพื่อแสวงหาความเมตตาจากพระผู้ทิบาลของเจ้า โดยหวังมันอยู่ดังนั้นจงพูดกับพวกเขาด้วยแค่คำที่ลิมนวนและอย่าให้มือของเจ้าถูกตรึงอยู่ที่ขอของเจ้าและอย่าแบมมันจนหมดสิ้นมิฉะนั้นเจ้าจะกลายเป็นผู้ถูกประนามผู้เศร้าโศกเสียัย ทั ر ر ้งพระผู้อบานของเจ้าจะสรงเพิพ่มภูลิปัจจัยอย่างชีพแก่ผู้ที่โรงสรงประสมและจะสรงให้คับแคบถ้าจิงโปรงนั้นส่งเป็นผู้สรงรอบรู้ ผู้ทรงเห็นปวงบ่าวของพระองค์และพวกเจ้าจงอย่าฆ่าลูกลูกของพวกเจ้าเพราะกลัวความจบเราจะประทานปัจจัยยังชีพให้แก่พวกเขาและแก่พวกเจ้าโดยเฉพาะ ถ้าจริงการฆ่ า, าพวกเขานั้นเป็นความผิดอันใหญ่หลวงและพวกเจ้าจงอย่าเข้าใกล้การผิดประเวณีหรือจินาแท้จริงมันเป็นการหลามบและหวนทาง ี่่ชัวชายและพวกเจ้าอยากฆ่าชีวิตที่อัลลอส์ทรงห้ามไว้เว้นแต่ด้วยความเพี้ยงธรรม และผู้ใดถูกข่าอย่างอายุที่รมดังนั้นเราได้อำนาจแก่ผู้ปกครองของเขาฉะนั้นอย่าได้ล่วงเกินขอบเขตในเรื่องการค่าแท้จริงเขาผู้สูกอธรรมจะได้รับความขึมน้น และพวกเจ้าอย า, าก้าใกล้ทรัพย์สินของเด็กกำพรา้าเว้นแต่โดยวิธีที่ดียิ่งจนกว่าเขาจะบรรลุลิติภาวะและจงให้ครบตามสัญญาเพราะแท้จริงสั ญ, ญญานั้นจะถูกสอบสวน และจงตวงให้เต็มเมื่อพวกเจ้าตวงและจงช่างด้วยตระช่างที่เที่ยงตรงนั่นเป็นการดียิ่งและเป็นบ้านปลายที่ดีกว่า และอย่าตามในสิ่งที่เจ้าไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นแท้จริงหูตาและหัวใจทุกสิ่งเหล่านั้นจะถูกสอบสวนอ และอยาเดินบนแผ่นดินอย่างย่าโสโอหังแท้จิงเจ้าจะแยกพันดินไม่ได้เลยและจะไม่บรรลุถึงความสูงของพวกเขาได้ทั้งหมดนั้น ความเลวของมันเป็นที่รังเกียจณพระผู้อภิบาลของเจ้านั่นคือส่วนหนึ่งจากที่พระผู้อภิบาลของเจ้าทรงประทานความรู้ลงมาแก่เจ้า และเจ้าอย่าตั้งพระเจ้าอินไดเคียงคู่กับอัลลอ์ไม่ฉะนั้นเจ้าจะถูกโดยนลงในรนรกอย่างนําโดยเป็นผูถ้ถูกตำหนิถูกขับไล่ถ้าพวกพิบาลของเจ้า ทรงเลือกลูกผู้ชายให้แก่ผู้เจ้าและพระองค์ทรงเลือกอามารายกาเป็นลูกผู้หญิงกรณนั้นหรือถ้าจริงพวกเจ้านั้นกำลังกล่าวคำพูดที่ร้ายแรงอย่างแน่นและโดยแน่นอนเราได้ชี้แจงไว้ในอัลกุรอานนี้เพื่อพวกเขาจะได้รำลึก แต่มันไม่ได้เพิ่มสิ่งใดแก่พวกเขานอกจากการเตลิดนี้จนกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าหากมีพระเจ้าหลายองค์เคียงคู่กับพระองค์ดังเช่นที่พวกเขากล่าวเมื่อ น, นั้นแน่นอนพวกมันจะสแสวงหาทางไปสู่พระผู้ทรง พรอะองค์ผู้ทรมงมหาบริสุทธิ์และพระองค์ทรงสูงส่งกว่าที่พวกเขาเกล่าวทรงสูงส่งอย่างอ่าางตุุสสดบิมววัไร้รู้ ชั้นัฟ้าทั้งเจ็ดและผ่นดินและผู้ที่อยู่ในนั้นจะสดุดีด้วยการสันเสริมพรุ่งและไม่มีสิ่งใดเว้นแต่จะสดุดีด้วยการสรันเสริมพ ร, รุ่งแต่ว่าพวกเจ้าไม่เข้าใจคําสดุดีของพวกเขาน้นแท้จริง พระองค์เป็นผู้ทรงหนักแน่นผู้ทรงอภัยโทษเสมอเวลาเ้าอ่าน อ, อัลกุรอานเราได้การม่านที่ถูกซ่อนไว้กั้นระหว่างเจ้า และบรรดาผู้ไม่ศรัทธาตะวันพระโลกลว่าจะลา على قلوبهم أكن อ ن น ي ั ف ه م و ฟ ي أدانهم وقرار و إ ราว ر ّ ب ت ربك في القرآن وحده واللوا على أدبارهم ن ف ر ا ลการกระทำฝาปิดบนหัวใจของพวกเขาเพื่อไม่ให้พวกเขาเข้าใจอัลกุรอาน และในหูของพวกเขานั้นหนวกหละมาเจ้ากล่าวถึงทราผู้บานของเจ้าแหลกุรานเพียงมุงเดียวพวกเขาก็ผินหลังของพวกเขาตลอดนี้ เรารู้ดียิ่งถึงสิ่งที่พวกเขาฟังขณะที่พวกเขาเงียวหูฟังเจ้าและขณะที่พวกเขาปรึกษากันอย่างลับๆโดยพวกอาธรรมกล่าวว่าพวกเจ้าไม่ได้ตามผู้ใดนอกจากผู้ถูกเ ว, มวเทมนตร์เั้น อันดร์ใครฐบรรรู ل ك ا ل أ م ث ล ل ฟะดลูฟะลายสตตี عون สบีลาจมดูเถอดม่อมัดพวกเขายกอุทาหอนแก่เจ้าอย่างไว้พวกเขาได้หลุงแลว้วพวกเขาจึงไม่สามารถหาทางใดๆได้ไดได ا أ د د แลวพวกเขากล่าวว่าเมื่อเราเป็นกระดูกและผูรกร่อนไปแล้วถ้าจริงเราถูกให้ฟื้นขึ้นเพื่อกำเนิดใหม่อีกหรือคุณคือหินจาระตะหรือหินกล่าวเถิดมูฮัมมัด ว่าแม้พวกเจ้าเป็นหินหรือเหล็กก็จะถูกให้กำเนิดขึ้นมาใหม่ได้อ หรือกำเนิดใดที่แข็งยิ่งในวัวอกของพวกเจ้าก็ตามดังนั้นพวกเขาจะกล่าวว่าผู้ใดเล่าจะให้เรากลับขึ้นมาจุงกล่าวเมมาถิดมุฮัมมัดว่าพระองค์ผู้ทรงบังเกิดพวกเจ้าขึ้นมาตั้งแต่ครั้งแรกนั่นแหละแล้วพวกเขาก็สั่งศรีรษะของพวกเขาแก่เจ้าพางกล่าวว่าเมื่อใดเล่าจุงกล่าวเมมาถิดมุฮัมมัดว่าหวังว่ามัน เข้้าามาแลววันที่พระองค์จะทรงเรียกร้องพวกเจ้าและพวกเจ้าจะตอบสนองด้วยการสรงเ ส, นสนริญพระองค์ และพวกเจ้าจะนึกว่าไม่ได้อยู่ในโลกนี้เว้นแต่เพียงชั่วครู่เท่านั้นวกและต้องกล่าวแก่พวกบาวของข้าที่พวกเขากล่าวแต่คำพูดที่ดียิ่งกว่าแท้จริงชัยตอนมันยุ่ยแยระหว่างพวกเขาแท้จริง รัตอนนั้นเยชัยัมคุมอวิยชัยอุอลมคุมอวิเยออลคุมอวิอิเชัยัลลัมคุมอวทอิยชยออัลลัมคุมวิอิเยชัยออัลลอวิเัยอุัอมวิเยชัยอุอัลวิเยชัยัคุมอวิอิเยชัยอุอัลลัมคุทรงเยชัยอุอวเยชัยอุอัลลัมคุมอวองเ พรงก็จะส่งลงโทษพวกเจ้าและเราไม่ได้ส่งเจ้ามาเป็นผู้คุ้มครองพวกเขาแต่ประการัใดและพระผูยบาลของเจ้าทรงรู้ดียิ่งถึงสิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดิน และโดยแน่นอนเราได้เลือกนบีบางคนให้ดีเด่นกว่าอีกบางคนและเราได้ให้คำเภี้ยสบุดแก่เ ล, ล, าลาจงกล่าวเถิดมูฮัมมัดว่าพวกเจ้าจงเรียกร้องบรรดาสิ่งที่พวกเจ้ากล่าวอ้างอื่นจากพระองค์ พวกมันไม่มีอำนาจที่จะกดเปลื่องความทุกข์ยากและเปลี่ยนแปลงมันจากพวกเจ้าได้อุล่าอินกะลีลยดะฮูยบตะฮูอีลาอัลลัลเหมุลวาสีลัยยุห์มัทรบุวายร์ูละห์รมัตฮูวายขาฮูนอาดับอินน์อาดับรดิกาคานาผสลูราหล่าที่พวกเขาเรียกว่าเป็นพระเจ้านั้น พวกมันก็ยังหวังว่าจะหาฐานเข้าสู่พระพิบาลของพวกมันว่าผู้ใดในหมู่พวกมันจะเข้าใกล้ที่สุดและพวกมันยังหวังในความเมตตาของพระองค์และตัวการลงโทษของพระองค์แท้จริงการลงโทษของพระผู้วิบาลของเจ้าควรน่าระวัง ن ن และไม่มีหมู่บ้านใดเว้นแต่เราเป็นผู้ทำลายมันก่อนถึงวันระโรลกหรือเป็นผู้ลงโทษมันอย่างสหัส وما منا أن ن ُ ب ص ِ ل ب ا ل آ ي َ ا ت ِ إِلاَّ أ ن كذَّبَ بها الأولون و َ آ ت َ ي ْ ن َ ا ك َ مُودًا َ ا ق َ ت َ م ُ ص ِ ر َ ا ً تَظْلَمُوا بِهَا وَمَا ن ُ ب ِْ ل ُ ب ا ل آ ي َ ا ت ِ إِلاَّ ت َ خ و ي ف ً ا ไม่มีสิ่งใดยับยั้งเราได้โดยที่เราจะส่งสัญญาณต่างๆเว้นแต่ว่าพวกสมัยก่อนๆได้ปฏิเสธมันและเราได้อูดตัวเมียเป็นที่ประจักษ์แก่พวกสมุนแต่พวกเขาได้ทารุมันและเราไม่ได้ส่งสัญญาณต่างๆเพื่ออื่นใดเว้นแต่เพื่อเป็นการเตือนสำทับเท่านั้น และจงรบลึกถึงเมื่อเรากล่าวกับเจ้าว่าแท้จริงพระผู้พิบาลของเจ้าทรงรอบรู้ในเรื่องของมนุษย์ และเราไม่ได้ทำให้การฝันซึ่งเราได้ให้เจ้าเห็นเพื่ออื่ในใดเว้นแต่เพื่อเป็นการทดสอบแก่มนุษย์และเพื่อให้กลัวต้นไม้ที่ถูกสาบในอัลกุรอานและเราได้ทำให้พวกเขาหวาดตัวดังนั้นมันไม่ได้เพิ่มสิ่งใดแก่พวกเขา และ จ, ลลแจงรำลึกถึงเมื่อเรากล่าวแก่มาลัยกาว่าจงคารวะต่ออาดและพวกเขาได้คารวะเว้นแต่อิบลิสมันกล่าวว่า ฉันจะคารวต่อผู้ที่พระองค์ทรงสร้างมาจากดินกระนั้นหรืออลาลัยรัยตะฮะดัลล์ดีกับวันตะอาลีอินอัลฮับกะนีลาเยมิลกิยามติเลอัพเตลิกันดูร์จียะฮูอิลลาควลีลามันกล่าวว่าพระองค์ทรงเห็นแล้วไม่ใช่หรือขาพุ่นนี้ที่พระองค์ทรงให้เกียรติมากกว่าฉัน หากพระองค์ทรงโปรดประวิงเวลาให้แก่ฉันจงถึงวันพระโลกแน่นอนฉันจะทำลายล้างลูกหลานของเขาให้หมดสิน้นเว้นแต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นพระองค์ตรัสว่าเจ้าจงไปให้พ้นจากนั้นผู้ใ ด, ดในหมู่พวกเขาปฏิบัติตามเจ้า แท้จริงละกเป็นการตอบแทนของพวกเจ้าซึ่งเป็นการตอบแทมที่สมบูรณ์ยิงและเจ้าจงยั่วยวนผู้ที่เจ้าสามารถทำให้เขาหลงไหลในหมู่พวกเขา ด้วยเสียงของเจ้าแล้วชักชวนพวกเขาให้เห็นพร้อมด้วยด้วยม้าของเจ้าและด้วยเท้าของเจ้าและจงร่วมกับพวกเขาในทรัพย์สินและลูกหลานและจงสัญญากับพวกเขาและใช่ตอนไม่ได้สัญญาใดๆแก่พวกเขานอกจากเป็นการหลอกลวงเท่านั้นอิิินนนาาบีีดไลลลกกกยมุววต แท้จริงพวงเบาของข่านั้นจะไม่มีอำนาจใดๆเหนือพวกเขาและพอเพียงแล้วที่พระผู้อวบาปของเจ้าเป็นผู้คุ้มครองพระผู้อวยบาปของพวกเจ้าเป็นผู้ทรงให้เรือแล่นไปในทะเลเพื่อพวกเจ้าจะได้สแสวงหาความโปรดปรานของพระองค์ แท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงเมตตาแก่พวกเจ้าเสมอว่าอิดะมัสสะคุมุจุรุฟิล بحر ิบัลละมันเตดูนอิลลาอิยาห์และวเมื่อมีภัยประสบแก่พวกเจ้าในาทะเลผู้ที่ พวกเจ้าวิงวอนขอก็จะสูญหายไปเว้นแต่พระองค์เท่านั้นต่อมาเมื่อพระองค์ทรงช่วยพวกเจ้ารอดพ้นขึ้นบกพวกเจ้าก็หันหลังให้และปรากฏว่ามนุษย์นั้นเป็นผู้เนรคุณเสมอแอ้วจะมิผู้ใดมาช่วยเิลือัยกเจ้าหันอุมา พวกเจ้าจะปลอดภัยหรือหากพระองค์จะทรงให้ริงฝั่งนั้นถล่มลงไปกับพวกเจ้าหรือจะทรงส่งลงขอบปวดกระนำลงมาใส่พวกเจ้าแล้วพวกเจ้าก็จะไม่พบผู้ใดเป็นผู้กุ้มครองพวกเจ้าเลย أَمْ يُعِيدَكُمْ الْزِيحِ หรือพวกเจ้าจะปลอดภัยหรือหากรองทรงนำพวกเจ้ากลับไป ในทะเลอีกครั้งแล้วส่งลมพายุร้ายกระร่ำพวกเจ้าแล้วให้พวกเจ้านั้นจมน้ำตายเพราะพวกเจ้าเนี่กหลังจากนั้นพวกเจ้าก็จะไม่พบผู้ใดแก้แค้แนแทนวดรรอหิ من من และโดยแน่นอนเราได้เกียรติแก่ลูกหลานของอาดัมและเราได้บรรทุพกพวกเขาทั้งทางบกและทางทะเลและได้ให้ปัจจัยอย่างชีทิ่ดีทั้งหลายแก่พวกเขาและเราได้พวกเขาดีเด่นมีเกียรติเหนือกว่า ผูท้ที่เราได้บังเกิดมาเป็นส่วนใหญ่วันที่เราจะเรียกร้องมนุษย์ทุกคนพร้อมด้วยบันทึกของพวกเขาดังนั้นผู้ใดที่บันทึก ของเขาถูกยื่นให้ทางขวาของเขาเขาหล่านั้นก็จะได้อ่านบันทึกของพวกเขาโดยที่พวกเขาจะไม่ถูกอธ ร, รํมแม้แต่น้อยและผู้ไดว่าใจบอดในโลกนี้จากนั้นเขาก็จะบอดในปรโลกด้วยและจะหลงทาง อย่างกนและากวาพวกเขาจะทำให้เจ้าหลงไปจากที่เราได้ให้องค์การแก่เจ้าเพื่อเจ้าจะได้กุศสิ่งอื่นขึ้นแก่เราและเมื่อ น, นั้นแหละพวกเขาก็จะพบเจ้าเป็นเพื่อนสนิท ا أ นหะาว่าเราไม่ได้เจ้าตั้งมั่นอยู่บนความจริงแล้วโดยแน่นอนเจ้าอาจจะโน้มเอียงไปในทางพวกเขาบ้างเล็กน้อยั่นแล้วถ้าคุณนักดั่ฟัลชีวิตวัดังฟัลมะมาที่ตัมไมลาท่จดุลค์ัลยนานัีรา ถ้าเช่นนั้นแน่นอนเราก็จะให้เจ้าลิ้มรสการลงโทษสองเท่าในชีวิตนี้และสองเท่าเมื่อย่างตายและเจ้าจะไม่พบผู้ช่วยเหลือใดๆแก่เจ้าให้รอดพ้นจากการลงโทษเขาเราได้และหาพวกเขายุแย่ให้เจ้าออกไปจากแผ่นดิน เพื่อขับไล่เจ้าออกไปและเมื่อนั้นพวกเขาจะไม่ทำนักอยู่นานหลังจากเจ้าออกไปแล้วเว้นแต่ชั่วระยะเวลาเพียงเล็กน้อยเท่านั้น น, ول นี่คือแนวทางของผู้ที่เราได้ส่งเขามาก่อนหน้าเจ้า และจากบรรดาศาสนาทูตของเราและเจ้าจะไม่พบการเปลี่ยนแปลงในแนวทางของเราแต่ประการใดอัลกิมซัลลาต์ลิดลูกิชัมซอิลาว์สักิลไลลิวกุรอานัลเฟจร์อินนัควบอานัลเฟจร์แคนาหมึกหุดาเจ้าจงปฏิบัติละหมาดตั้งแต่ตะวันคย่อยจนพบคร่ำและการอ่านอย่างรุ่งอรมณ์ แท้จริงการอ่านยามรุ่งอรุณนั้นเป็นพยานยืนอย่างเสมอัละจากบางช่วงของกลางคืนจะจงตื่นขึ้นมานมการเป็นการสมัครใจสำหรับเจ้า หวังว่าพระผู้อภิบาลของเจ้าจะส่งให้เจ้าได้รับตำแหน่งที่ได้รับการสังเสริรรบบมและจง ก, กล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของฉันได้โปรดนำฉันเข้าตามทางเข้าที่ชอบธรรม และได้โปรดนำฉันออกตามทางออกที่ชอบทำและโปรดให้ฉันเหนียมหน้าที่เข้มแข็งซึ่งได้รับการช่วยเหลือจากประองค์และมุฮัมมัดจงกล่าวเสดว่า เมื่อความจริงปรากฏขึ้นและความเทศย่อมมาลายไปแท้จริงความเทศนั้นย่อมมาลายไปเสมอและเราได้ให้ส่วนหนึ่งจากอัลกุรอานลงมาเป็นการบำบัดและความเมตตาแก่บรรดาผู้ศรัทธาและมันไม่ได้เพิ่มอันใดแก่ พวกผู้อธรรมนอกจากการขาดทุนเท่านั้น ه, และวเมื่อเราได้ความโปรดปรานแก่มนุษย์เขาก็เหินห่างและปลีกตัวออกไปข้างๆและเมื่อความชั่วประสบแก่เขาเขาก็เบื่อหน่ายหมดอะไร จงกล่าวเถิดัวมมัดว่าทุกคนจะกระทำตามรูปแบบของเขาฉะนั้นพระผู้วิบากของพวกเจ้า จงรู้ดียิ่งถึงผู้ที่เขาได้รับทางนำที่ถูกต้องแล้วพวกเขาจะถามเจ้าเกี่ยวกับวิญญาณมูฮัมหมัดจงกล่าวเสด็ว่าเรื่องวิญญาณนั้นเป็นไปตามพระบัญชาของพระผู้อภิบาลของฉันและพวกเจ้าจะไม่ได้รับความรู้ใดๆ เว้นแต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นและหากเราประสงค์แน่นอนเราเจ้าสิ่งซึ่งเราได้องค์การแก่เจ้าไปเสียหลังจากนั้นเจ้าจะไม่พบผู้คุมครองใดๆ เหนือเราในเรื่องนี้สําหรับเจ้าอแล้วินตกรอแต่ว่ามันเป็นความเมตตาจากพระผู้อภิบาลของเจ้าแถ้าจริงความโปรดปรานของโครงที่มีแต่พวกเจ้านั้นใหญ่วงนะัก ل ل هَذَا كان ض ض ต้องกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าแน่นอนหากมนุษย์และยินรวมกันที่จะนำมาเช่นอันกุรานนี้ พวกเขาไม่อาจจะนำมาเช่นนั้นได้และแม้ว่าบางคนในหมู่พวกเขาเป็นผู้ช่วยเหลือแก่อีกบางคนก็ตา่างและโดยแน่นอนเราได้ชี้แจงแก่มนุษย์แล้วจากทุกขุทาหอนในอัลกุรอานนี้ แต่มนุษย์ส่วนมากดื้อดึงไม่ยอมรับนอกจากปฏิเสธศรัทธาเท่านั้นและพวกเขากล่าวว่าเราจะไม่ศรัทธาต่อเจ้าจนกว่าเจ้าจะทำให้แผ่นดินนั้นแตกออกเป็นลำทานแก่เรา หรือเจ้ามีสวนอินทรพลำแรงหมดและทำให้ม oh, ันแยกออกเป็นแม่น้ำหลายสายพวยพุ่งออกท่ามกลางมันอาตสีทสมาอัก็มาจะงามต่อลายนิสฟา หรือเจ้าทำให้บรรดาชั้นฟ้านหล่นลงมาบนพวกเราเป็นเสียงๆตามที่เจ้าอ่าหรือนำอัลลอ์และมาลายกะมาให้เราเห็นต่อหนะ้าหรือจะพูดกับคุมมิกซุกรฟินหรือจะร่วากสวรรา ร, รอับเจ้ามีบ้านที่ประดับประด า, ะดาไว้หนึ่งหลังหรือเจ้าขึ้นไปบนชั้นฟ้าและเราจะไม่ศรัทธาต่อการขึ้นไปของเจ้าจนกว่าเจ้าจะเอาคำถีเล่มหนึ่งลงมาให้เราได้อา่านทรงกล่าวเถิดมูมัด ว่าพระผู้บานของฉันผู้ทรงมหาบริสุทธิ์ฉันไม่ได้เป็นอื่นใดนอกจากเป็นมนุษย์เป็นาศาสนาทูตเท่านั้น และไม่มีสิ่งใดที่จะห้ามมนุษย์ที่พวกเขาจะศรัทธาเมื่อทาง น, นำที่ถูกต้องได้มาอย่างพวกเขาแล้วนอกจากพวกเขาจะกล่าวว่าอาลัลลอ์จะทรงแต่งตังต้งมนุษยธรรมดาเป็นาศาสนาทุตรอนั้นอื่อุลลอกนติลอัมะลาอิกติยัมชูนมอินนละเลนาอลิมมินัมาอิละกัูล่กล่าวถือดฮมมัด ว่ามาลาอกะหเดินไปมาอย่างสงบในแผ่นดินแน่นอนเราจะส่งมาลักท่านหนึน่งลงมาจากฟ้าฟ้ า, ฟาเป็นาศนาสนทูตแก่พวกเขาคุณกะซาบิลลาห์ชะีดันบัยนีวะบัยนากุมอินนะฮูกานะบิอิบาดิฮีคอบีรันบะซีรอนจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าพอเพียงแล้วที่อัลเลาทรงเป็นพยานระหว่างฉันและพวกเจ้า وَمَن يَهْدِ ا ل ل ّ ه ف َ ه ُ و ا ل م ُ ه د ت َ د وَمَن ي ض ل ف َ ل ن ت َ ج د َ ل َ ه ُ م أ و ل ي أ َ م ن ِ د ُ و ن ِ ه و َ ن َ ح ش ر ُ ه ُ م ي َ و م َ ا ل ق ي ا م َ ة ِ ع ل ى و ج و ه ِ ه م ي و م َ و ب ُ ك ْ م َ و َ ص ُ م คะานัและผู้ใดที่ล้อส่งให้ทางนำเขาก็จะเป็นผู้อยู่ในทางนำที่ถูกต้องและผู้ใดที่ลออส่งให้หลงทางแล้วดังนั้นเจ้าก็จะไม่พบอีกเลยสำหรับพวกเขาซึ่งบรรดาผู้คุ้มครองอื่นจะพรนและเราจะชุมนุมพวกเขาในวันขกียามาถูกลากคว่มหน้าในสภาพตาบอดเป็นใบ้และหูหนวก ที่อำนักของพวกเขาคือนรกยานนำทุกครั้งที่มันมอดเราได้เพิ่มการเผาไหม้ให้ลุกโชนขึ้นอีกแก่พวกเขา ۞ذَلِكَ جَزَاءُ ق นั่นคือการตอบแทนแก่พวกเขาโดยแน่นอนพวกเขาปฏิเสธศรัทธาต่อองค์การทั้งหลายของเราและพวกเขาได้กล่าวว่าเมื่อเราเป็นกระดูกถุกกร่อนไปแล้วเราจะถูกให้ฟื้นขึ้นเพื่อกำเนิดใหม่ได้อย่างไร พวกเขาไม่เห็นดอกหรือว่าแท้จริงอัลลอฮ์ผู้ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินพระองค์คือผู้ทรงสามารถที่จะสร้างเยี่ยงพวกเขาและทรงกำหนดเวลาหนึ่งสำหรับพวกเขาโดยไม่มีการสงสัยใดๆในนั้นแต่พวกกระทำกลับดื้อดึงไม่ยอมรับนอกจากปฏิเสธศรัทธา จงกล่าวเถิดม huh> ูฮัมหมัดว่าหาพวกเจ้าครอบครองคลังแห่งความเมตตาของพระผู้อภิบาลของฉันเมื่อนั้นพวกเจ้าจะนวงเหนี่ยวมันไว้ <تصفيق> وَلَقَدْ أَتَى لَهُ مُوسَى تِسَاءَةً دِينَاتٍ تَسْأَلْ بَنِي إسْرَائِلَ إ ج َْ ا ء َ ه ُ م ْ إ ج َْ ا ء َ ه ُ م ْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي ل َ أ َ ظ ن ُ ك َ يَمُوسَ م َ س ْ ح ُ و ر ا และโดยแน่นอนเราได้สัญญาณต่างๆอัชัดแจ้งเก้าประการแก่มูซาแต่นั้นเจ้าทงถามวงวานของอิสราเอลดูเถิดเมื่อเขามูซามาอย่างพวกเขาเฟร อ, อูนได้พูดกับเขาว่าโอ้มูซาเอ๋ย ถ้าจริงค่าคิดว่าเจ้าถูกเวทมนต์อย่างแน่นอนขากล่าวว่าโดยแน่นอน ท่านย่อมรู้ดีว่าไม่มีผู้ประทานสิ่งเหล่านี้นอกจากพระผู้อภิบาลแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินเพื่อเป็นทยานและแท้จริงฉันคิดว่าแน่นอนท่านพอเฟรูอูนเอ๋ยเป็นผู้หายนะแล้วดังนั้นเขาเฟรูอุนต้องการที่จะย้ายพวกเขาออกไปจากแผ่นดิน ฉะนั้นเราเอาอจรอจะไงเขาและผู้ที่อยู่ร่วมกับเขาทั้งหมดจมน้ำตายและเราได้กล่าวแก่วงวานของอิสราเอลหลังจากเขาว่าจงพำนักอยู่ในดินดานนี้ ดังนั้นเมื่อสัญญาณแห่งวันสิ้นโลกได้มาถึงเราจะนำพวกเจ้าทั้งหมดมารวมไว้ด้วยกันและด้วยความจริงเราได้ประทานอัลกุรอาน ล, ลงมาและด้วยความจริงมันได้ลงมาและเราไม่ได้ส่งเจ้ามาเพื่ออื่นใดนอกจากเพื่อเป็นผู้แจ้งข่าวดี แ ล, แ, และอัลกุรอานนั้นเราได้แยกมันไว้อย่างชัดเจนเพื่อเจ้าจะได้อ่านมันให้แก่ผู้คนฟังอย่างช้าๆและเราได้ประทานมันลงมาเป็นขั้นตอิน จงกลา่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าพวกเจ้าจะสรทาต่อมันหรือไม่สถาก็ตามถ้าจึงบรรดาผู้จะรับความรู้ก่อนหน้ามันนั้นเมื่อมันได้ถูกอ่านแก่พวกเขาพวกเขาจะหมอบราบลง ا إ และพวกเขากล่าวว่าพระผู้พิบาลของเราผู้ทรงมหาบริสุทธิ์สัญญาของพระผู้พิบาลของเรานั้นแน่นอนย่อมถูกนำมาปฏิบัติอย่างครบถ้วน และพวกเขาจะหมอบราบลงพลางร้องให้และมันจะเพิ่มการสำรวมแก่พวกเขากลิดุลลอฮะ أودع الضحمة أن أيام ما تدعوه له ล ل أ س ا ء ا ل ح س ن ولا تجهد بصلاتك ولا تخافت بها وبتغي بين ذلك س ب ي ل าจงกล่าวเถิดมูฮัมมัด พวกเจ้าจงเรียกอัลลอฮ์หรือจงเรียกอัรลอฮ์มานเถิดอันใดก็ตามที่เจ้าเรียกสำหรับพระองค์นั้นมีพระนามสวยงามยิ่งและอย่ายกเสียงดังในเวลาละหมาดของเจ้าและอย่ายลดให้ค่อยเช่นกันแต่จงแสวงหาลู่ทางระหว่างนั้นกลลลลลลลลลิลิมมมมดุุุีียตยตคววชร และจงกล่าวเถิด ม, มูฮัมหมัดว่าการสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลละ์ซึ่งไม่ทรงเอาพระบุตรและไม่มีภาคีใดๆร่วมกับพระองค์ในอำนาจและไม่มีผู้ช่วยเหลือใดๆสำหรับพระองค์ให้พ้นจากความต่ำต้อย แต่จงให้ความเครงใรแด่พระองค์อย่างถึกกลอง